บางองค์นะจวกเลยเราภาวนาไปผิดผิดนะนี่พอมาวันนี้ญาติโยมเยอะขึ้ น, นหลว ง, งพ่อสอนเหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมามเลยดูเป็นเรื่องประหลาดไปแล้วทำไมเราไม่ขึ้นธรรมาะเทศเทศไปเอวังก็มีด้วยประกาศรชาชดีรือจบ <c oughs> ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนกรรมฐานจริงๆท่านก็สอนด้วยใจมุ่งประโยชน์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 คนสนใจมากขึ้นมากขึ้นอนะนิมนต์ท่านไปน้่นไปนี่บางทีไปก็ไม่เจอเหมือนกันเล่นเอาเฉาไปเลย <c oughs> เคยนะไปหาหลวงปู่สิมทิ้งนั่งรถไปทั้งคืนเลยต่อรถสองแถวไปอีกเดินเข้าไปอีกนะกว่าจะถึงวัดเนะี่ยบ่ายๆแลพอถึงขึ้นไปถึงภูเขายอดเขาถ้ำหาปล้องพระบอกหลวงปู่ไปกรุงเทพ <c oughs> โถเรามาจากกรุงเทพมาหาหลวงปู่นะ เดี๋ยวพระก็ให้กำลังใจเดี๋ยวนึงมีคนขีม่มอเตอร์ไซค์มาเาก็วิ่งขึ้นเขามาบอกหลวงปู่จะกลับแล้วหลวงปู่จะกลับมาพระก็ตื่นเต้นนะคว้าแคล่สมัยแรกๆ แ, แ, แคล่ท่านทำด้วยไม้หน้าสามทำคล้ายๆคันหามเสลียงนะนะโอ้โหพระแปดองค์ข้างละสองสองนสี่สี่มีไม้สี่อัน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 นะอยากดูอยากปฏิบัตินี่ต้องอย่างนี้นะตอบได้แล้วอย่ามาถามหลวงพ่ออีกนะเป <c oughs> ็นก้อนขึ้นมานะหาทางทําลายมันนะทําไงก้อนนี้จะแตกนะเพ่งเพ่งเพ ง, เพงระเบิดเปลี่ยงโอ้วันนี้เราภาวนาดีเพ่งมันแตกอีกวันหนึ่งมันโปร์มานะเพ่ยงยังไงก็ไม่แตกตอนนี้นะบางทีก็เพ่งไม่แตกทําไงดีนะทุบมันของทุบมันทุบทุบแตกโป้งเลยโโล่งเลยก้อนนี้แตก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 ่ว่าจะมาถามโยมนะเฉลยหมดทุกทีเลยนะพอท่านบอกเสร็จนะเราโล่งเลยลงพอล่งท่านก็หัวเลาะหัวเลาะเสียงดังเลยหลอกเราอีกเละเราก็ปรื้มหัวเลาอตามท่านท่านหยุดกึกเลยมองหน้าพอท่านหยุดเราก็หยุดบ้างนะจิตเราไหวนะท่านบอกเออใช้ได้ใช้ได้ ไ, ดไปไม่ได้บอกชื่อท่านว่าหลวงพ่อชื่ออะไรไม่เคยบอกนะท่านอยู่ๆท่านก็เรียกมา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 นะวิปัสนาวูมเกิดจากจิตมันไม่ตั้งมั่นไหลออกไปจิตไม่ถึงฐาน น, นั่นแหละที่หลวงพ่อเรียกว่าไม่ถึงฐานไม่ถึงฐานนะเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราภาวนานะค่อยๆสังเกตเราดูจิตดูใจหรือว่าดูกายก็เหมือนกันนะไม่ว่าทํำวิปัสนาด้วยอะไรเนะี่ยเกิดวิปัสนาวูได้ทั้งสิ้นเลยไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วมีแต่วิปัสนาวูดูกายไม่มีวิปัสนาวูเข้าใจผิดนะหลวงพ่อเจอคนติดวิปัสนาวูนี่เยอะแยะไปหมดเลยในกระทั้งในสำนักต่างๆของครูบาอจาย์ก็มีไม่ใช่ไม่มีนะ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 วิปัสสนูนะั้นมันเป็นความที่ใจมันลำพองไปทยานไปหลงไปในธรรมะไม่ใช่หลงในอรธรรมนะหลงไปในธรรมะเผลอเพลินไปในธรรมะนะถ้ารู้ฐานจิตตั้งมั่นขึ้มนมาก็หลุดเลยไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะอโห น, นิเทศเท่านี้พอหวังว่าคงไม่มีคําถามเพราะที่ล่ามาทั้งหมดนี้นะควรจะตอบคําถามทั้งหมดได้อยู่แล้วนะใครยังจะถามอีกใครยอยากสมัครเป็นอาวชชาตสิทธ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 จิตมีโมหามากพยายามเคลื่อนไหวไปจะไม่ชอบเดินจงกรมก็ไม่เป็นไรนะไปหางานทําไปกวาดบ้านถูบ้านอไย่างนี้แล้วก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปของคุณนั่งอย่างเดียวไม่ได้นั่งแล้วจะเคลิม้มนี่คือวิหารธรรมแล้วใช่ไหมหลวงใช่ไปกระดุกกระดิกไปขอพิกพื้ค่ะหลวงพอ่อครับนันกมรดกของพอ่อเจ้าค่ะคือการบ้านของอย่าน้อมใจให้อ่อนๆเจ้าค่ะรู้สึกไหมทําให้ ใ, ใจอ่อนๆให้ดูน่ารักน่าสงสารเนี้ย <laughs>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 แล้วบางทีไม่ไม่น่าใจว่าคิดเองหรือว่ารู้อะคะ่ะรู้ใช้ได้แล้วละ่ะไปหัดรู้ต่อมาสการ์ค่ะหลวงพ่อคือหนูภาวนาแล้วจะไปติดไปรับรู้ว่ารมแล้วก็จะนิ่งๆไปอย่างนี้นะคะกระดูกกระดิกไว้อย่าให้เฉยนะอย่าให้ติดจิตจิตไปติดเฉยก็คือพยายามขยับเนืยขยับตัวไว้เคลื่อนไหวไว้หา ง, งานทําไว้อย่างครูบาอาจารยนะ์พาลูกศิษย์ทํางานทั้งวันเลยบางองค์นะ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 แต่เป็นลูกประคำเม็ดเดียวไม่ได้มีพวงเล็กๆหรอกมีก้อนกรวดอยู่ในนิ้วมือแค่นี้ mm hmm. แค่แตะๆ แ, แล้วก็รู้สึกแตะๆ แ, แล้วก็คอยรู้สึกเพราะภานาเข้าอย่างนี้ใช้ได้เหมือนกันตัวสําคัญอยู่ที่สติแล้วอยากกราบเรียนหลวงพ่อว่าที่คุณภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วล่ะครับผมไปรู้กายไปรู้ใจเห็นกายมันทํางานไม่ใช่ตัวเราทํางานเห็นจิตมันปรุงแต่งไปทั้งวันไม่ใช่เราครับผม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 ส่วนใหญ่จะเผลอไปคิดมากกว่าอก็จิตก็จะตามทันพอสมควรแต่ว่าตอนช่วงนอนหลับจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยจะรู้เกือบทั้งคืนจิตขณะนี้เป็นยังไงจิตขณะ น, นี้บางทีก็ติดนิ่งอะคะ่ะออติดนิ่งอยู่นะตรงนี้ต้องเลิกอย่าให้มันนิ่งนิ่งอย่างนี้ใช้ไม่ได้อะเนี่ยยังแก้ไม่ได้เพรหลวงพ่อเคยเลิกปฏิบัติสิมันนิ่งเพราะว่าเราจงใจปฏิบัตินะเราไปประคองใจให้นิ่งไปบังคับกายไปบังคับใจก็นิ่ง ลืมคำว่าปฏิบัติไปหาอะไรทำก็ได้นะหันหน้าไปเจอลูกชายแล้วโมโหมันหมนไส้มันรู้ว่าหมันไส้มันเเกิดความรู้สึกอะไรแล้วคอยรู้เอานะอย่าไปประคองประคับประคองให้สงบให้นิ่งตอนนี้ติดนิ่งพอดีไปตรวจเ r ็มอาร์มาหมอบอกว่าจะต้องไปผ่าตัดหลังก็เกิดความกังวลขึ้นมาว่าจะไม่ได้มาฟังหลวงพ่อระยะหนึ่งวันนี้เลยขอโอกาส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 เพ้ขาหดหูเขาดูไปความหดหูผ่านเข้ามาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวก็หดหูมากเดี๋ยวก็หดหูน้อยเห็นไมเดี๋ยวก็ความหดหูก็หายไปทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้เราไม่ได้ภาวนาด้วยความเกลียดชังความหดหูของคุณตอนนี้ใจไม่เป็นกลางต่อความหดหูให้รู้ทันว่าจิตไม่เป็นกลางนะขอขอปัญหาของเราตอนนี้คือจิตไม่เป็นกลางนะความทุกข์ทั้งหลายที่มาสู่ตัวเราแต่ละคนแต่ละคนนยียุติธรรมแล้ว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 อย่าถลําลงไปแค่นั้นแหละสบายมากเลยภาวนายิบยับวิบยับนะหลวงพ่อเคยเป็นภาวนายิบยับวิบยับเห็นเห็นหมุนนะหมุนอยู่ข้างในวัตตะหมุนติวติวติวอยู่ข้างหนหมุนจีจีขึ้นมาถ้าใจเราเข้าไปยุ่งกับมันก็หมุนใหญ่เลยถ้าเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องก็ขาดออกไปเลยครับการนมัสการครับอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําการปฏิบัติตอนนี้หน่อยนะครับตอนนี้เหรอ ตอนเนี้ยเกาะเอาไว้รู้สึกปะ่ะสังเกตไหมจิตไม่ใสร้อเซจิตมัวมีโมหแนะแทรกรู้ว่ามีโมหะบังคับจิตให้นิ่งดนวกไหมกดอยู่ข่มอยู่ขนาด น, นี้จิตแน่นๆหนักๆเห็นหัหเราไปแทรกแซงมันการภาวนาเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกสภาวะใดๆกำลังปรากฏในปัจจุบันเราก็แค่มีสติรู้ทันนะรู้ว่าอย่างเป็นกลางไปเรื่อยๆตอนนี้จิตไหลไปคิด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 นทุกอย่างนะมีแต่เกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็หายไปไม่ใช่ตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นของที่จิตไปรู้ไปดูเข้าทั้งสิ้นเลยกราบนัสการพระอาจารย์หลวงพ่อครับอาจารย์หลวงพ่อหรือว่าต้องหลวงปู่ดูลน่ะผมผมถามหลวงพ่อเลยนะครับปรหมทัปปารมีสัมปันโนนี่หมายถึงอะไรครับโอ้ต้องไปหานักปริญญาตแล้ว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 นะบางทีใจแอบไปคิด ก, ก็รู้ทันใจที่หนีไปคิดรู้กายรู้ใจไปนะพอเดินไปสุดทางจงกลมแล้วเนี่ยยืนอยู่นิ่งๆกันอย่าเพิ่งหันกลับมาบถ้าเดินไปสุดทางจงกลมแล้วหมุนตัวปั๊บเนี่ยจิตกระเด็นตกทางจงกลมทุกรายเลยเพรานะฉนั้นเราอยู่นิ่งๆกันพอรู้ตัวสบายๆก็ข้ามหมุนตัวกลับมาพอหมุนตัวกลับมา y y บยังไม่ต้องรีบเดินถ้ารีบเดินนะจิตมันจะเดินก่อนกายจิตมันจะก้าวไปก่อนแล้วก้าวสองก้าว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 ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือรู้รู้สึกตัวทันบ้างลงบ้างแต่จะเน้นไปทางลงครับแล้วก็แต่แต่ถ้าภาพรวมเนี่ยคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกทันจิตตัวเองมากขึ้นครับทำให้จากที่เมื่อก่อนเคยโกรธง่ายก็กดยากขึ้นอยากมากก็รู้จักประมาณตัวมากขึ้นนะอะไรเงี้ยครับก็ดีแล้วล่ะครับแล้วก็เลยอยากถามเพราะว่าสภาวะที่ที่ฝึกที่ผ่านมานี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะใช้ได้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 รู้ได้ตอนไหนก็ได้คะแนนตอนนั้นแหละ อ, อย่าตอนนี้ใจไปคิดก่อนใช่ไหมแล้วก็อยากพูดแว บ, บหนึ่งนึกออกไหมแต่แล้วความอยากมันก็ดับไปเราเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปเห็นอย่อย่างนี้เองขอบคุณค่ะแล้วหลวงพ่อจ ะ, จะแนะนําำคือควรจะนั่งปฏิบัติคือจะจะชอบนั่งสมาธิการทําในรูปแบบมีประโยชน์น ะ, ะพวกเราไม่ใช่จะเจริญสติในชีวิตประจําวันรวดไปเลยไม่พอหรอก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 รูปแบบที่หลุ่มพ่อกล่าวเนี่ยคือหมายถึงต้องนั่งให้เป็นเป็นท่ามาตรฐานไม่จําเป็นนะนั่งเก้าอี้ก็ได้สมกับหพวเขาเราไม่ดีเรานั่งเก้าอี้ก็ได้ถึงเวลาเราก็นั่งเก้าอี้พุทโธไปเรื่อยๆนะพุทโธพุทโธไปพใจเราแอบไปคิดรู้ว่าใจหนี่ไปคิดละพุทโธพุทโธไปใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขพุทโธพุทโธวันนี้ฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธเรารู้ทันใจไปเรื่อยๆี่แบ่งเวลาไว้ซ้อมแบบนี้ทุกวันทุกวันขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ ของคุณต้องทํากรรมฐานที่สบายๆนิดนึงะเพราะพื้นเดิมมันขี้โมโหคนขี้โมโหเนี่ยทํากรรมฐานที่ลําบากมากๆมัจะโมโหแตนะ่จลิตนิสัยไม่เหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยเป็นคนซึ่งใจเย็นสบายรักสุขรักสบายรักสวยรักงามจิตใจนะั้หน่ำแนมตลอดลยอะไรเงี้ยพวกนี้ต้องไปทํากรรมฐานยากๆหน่อยนะต้องไปทรมานหน่อยนะดแล้วโอ้วันนี้หลวงพ่อชนะ <laughs>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 พวกเราก็ฝึกไปนะวันนี้ยังทุกข์อยู่ไม่เป็นไรอนาคตต้องให้ดีกว่า น, นี้ให้ได้ต้องเดินใกล้มรรคผลนิพพานเข้าไปทุกวันทุกวันไม่ต้องรีบเดินก็ได้นะถ้ารีบเดินรีบจ้ำจำจะตกถนนทุกรายเลยแต่ต้องทำสม่าเสมอรู้สึกกายรู้สึกใจทําทุกวันสม่าเสมอความสม่าเสมอดีกว่าความรีบร้อ น, นต้องสม่าเสมอมีวินัยในตัวเองรักษาศีลไว้ก่อนมีศีลห้าศีลห้าจเป็นที่สุด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 สัพเพปูเรนตูสังคปาจันโดปันรโสยถ า, ามณีชโชติรโสยถ า, าสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรคโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายยโกภาวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังอุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรมาวัันตีอายุวันโนสุขังภะลัง